หัวข้อประจําวาระอาบัตกองอาบัตวินีตวัตถุอนันตริยกรรมบุคคลที่แน่นอนอาบัตมีการตัดเป็นวินัยกรรมต้องอาบัต ด, ด้วยอาการห้าต้องอาบัตเพราะมุสาวาทเป็นปัจจัยภิกษุไม่เข้ากรรมภิกษุเข้ากรรมกิจที่ควรภิกษุถูกระแวง น้ำมันมันเหลวความเสื่อมความถึงพร้อมนิสัยระงับบุคคลไม่ควรให้อุปสมบทผ้าตกที่ป่าช้าผ้าที่โคกัดการลักโจรสิ่งของไม่ควรจ่ายสิ่งของไม่ควรแบ่งอาบัติที่เกิดทางกายเกิดทางกายกับวาจา อาบัตเป็นเทศนาคามินีสงปาติโมกุดเทศปัจจันตะชนบทานิสงกถินกรรมอาบัตจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งปาราชิกทุลัจัยทุกกฎอากัปปิวัตถุกัปปิวัตถุสิ่งที่ให้แล้วไม่เป็นบุญสิ่งที่บรรเทาได้ยาก การกวาดการกวาดอย่างอื่นอีกถ้อยคําอาบัตอธิกรวัตถุยัตติอาบัาตบและอนาบัตปาติโมกทั้งสองอาบัตเบาจงซาฝ่ายดำและฝ่ายขาวดังข้างต้นนี้ภิกษุถืออยู่ป่าถือเที่ยวบินทบาตถือผ้าบางสุกุล ถืออยู่โคนไม้ถืออยู่ป่าช้าถืออยู่กลางแจ้งถือผ้าสามผืนถือเที่ยวบินทบาตามลำดับถือการนั่งถืออยู่ในเสนาสนะตามที่จัดไว้ถือนั่งฉันนอาสนะแห่งเดียวถือการห้ามพัดที่ถวายที่หลังถือฉันข้าวเฉพาะในบาทอุโบสถปวารณา อาบัตและอนาบัตบทฝ่ายดำและฝ่ายขาวดังข้างต้นนี้สำหรับภิกษุณีก็เหมือนกันกรรมที่ไม่น่าเลื่อมใสกรรมที่น่าเลื่อมใสกรรมที่ไม่น่าเลื่อมใสและน่าเลื่อมใสอื่นอีกสองอย่างภิกษุเข้าไปสู่สกุลคลุกคลีอยู่เกินเวลาพืชพันธุ์ผลไม้ควรแก่สมณนะวิสุทธิ วิสุทธิแม้อื่นอีกอานิสงการทรงพระวินัยการงดปาติโมกไม่ชอบธรรมการงดปาติโมกชอบรมห้าหมวดล้วนที่กล่าวแล้วจบ